ถ้าเสมือนแมลงผู้เชยเกสอนดอกไม้พระพุทธภาสิาทธยะถาปิพระมรุปผังวันนะวันตังอาเหทยังปะเลติรสมาถายเอวังคาเมมุนีเจเรความว่าเหมือนอย่างว่าพระมรไม่ทำดอกสีและกลิ่นของดอกไม้ให้เสียหายชอก ช, ช้ำเฉยแต่เกสอนแล้วบินไปฉันใดมุนีคือผู้รู้ผู้สงบ ที่เอไปในบ้านไม่กระทบศรัท ธ, ธาและโภคะของเขาฉันนั้นคําว่าผ้ามอนในพระคาถานี้ท่านหมายเอาสัตว์ที่อาศัยเกยรสรดอกไม้ทําน้ําหวานทุกชนิดเช่นแมลงพึ่งเป็นต้นสัตว์เหล่านั้นเมื่อต้องการน้ําหวานจากเกรสรดอกไม้ก็บินไปดื่มรสหวานจนพอความต้องการแล้วคาบเอารสที่ต้องการไปสะสมไว้เป็นน้ําพึ่งไม่ทําสีกลิ่นและสันฐานของดอกไม้ให้เสียหรือชอกชำ้ำ พระผู้เข้าสู่สกุลของชาวบ้านก็ควรทำตนเช่นพระมร น, นั้นคือไม่ทำศรัทธาและโภคะของชาวบ้านให้เสื่อมทำอย่างไรเรียกว่าทำศรัทธาให้เสื่อมตอบว่าไม่ตั้งตนอยู่ในความบริสุทธิ์เยี่ยงสมณะที่ดีไม่สำรวมกายวาจาใจด้วยดีมีความมากมากในลาบไม่รู้จักประมาณในการรับปัจจัยและในการบริโภคปัจจัยเป็นผู้คนองกายวาจา เมื่อชาวบ้านเห็นอาการอย่างนี้ศรัทธาก็ถอยไม่ถอยเพียงแต่ในสมณะเช่นนั้นแต่ทำให้เขาลดความมั่นคงในพระรัตนไตยอีกด้วยเพราะไม่ตั้งอยู่ในความบริสุทธิ์หนึ่งหญิงเสเพรหนึ่งชายไม่มีสัจจะหนึ่งท่านว่าไม่ควรครบไม่ควรเข้าใกล้เพราะจะนำความเดือดร้อนมาให้ผู้ประพฤติตรงกันข้ามชื่อว่าทำศรัทธาของชาวบ้านให้เจริญ ส่วนอาการกระทบโคละทำโคะให้เสื่อมนั้นคือการทุศีลของพระโคะที่ชาวบ้านถวายแก่พระทุศีนย่อมไม่มีผลมากเหมือนหวานพืชในนาเลวโคะย่อมเสื่อมไปเปล่าไม่มีผลเท่าที่ควรส่วนการเข้าสู่สกุลของพระผู้มีศีนชื่อว่าทำโคะของถายกให้เจริญเพราะทานอันเข้าหวานลงแล้วในท่านผู้มีศีนย่อมมีผลงอกงามเหมือนพืชอันหวานลงแล้วในนาดี พระดีย่อมไม่เบียดเบียนชาวบ้านดังกล่าวมานี้พระาศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้ขณะที่ประทับอยู่ณนะเชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารพเศรษฐีผู้ตรณีคนหนึ่งในเมืองราชสครึซึงพระมหาโมคคลานะไปโปรดให้กลับเป็นผู้มีศรัทธามีเรื่องย่อดังนี้เศรษฐีชื่อโกโสเยะซึ่งเป็นผู้มีความตรณีเศรษฐีคนนี้อยู่ที่นี่มสกะ ไม่ไกลจากกรุงราชคลึนักเขามีทรัพย์80โกรธแต่ตนีและเกินไม่เคยให้แม้แต่น้ำบันสักหยดเดียวแก่ใครและไม่ค่อยบริโภคเองทรัพย์ของเขาไม่อำนวยประโยชน์แก่ตนเองบุตรภรรยาและแก่ใครๆเลยวันหนึ่งเศรษฐีกับจากเฝ้าพระราชาเห็นคนบ้านนอกคนหนึ่งกำลังกินขนมเบื้องอยู่นึกอยากกินบ้างเมื่อมาถึงบ้านก็ไม่กล้าบอกภรรยาเพราะกลัวว่า เมื่อภรรยาทำขนมเบื้องคนเป็นอันมากในเรือนรู้เข้าก็จะขอกินด้วยจะหมดเปลืองมากจึงอดกลั้นความอยากไว้แต่ความอยากก็ไม่ได้หมดไปเมื่อหลายวันเข้าก็ผอมลงทุกทีหมดกำลังเข้าห้องนอนถึงขนมเบื้องแม้ทุกอย่างนี้แล้วก็ไม่ยอมบอกภรรยาหรือบุตรเพราะกลัวเสียทรัพย์ภรรยาเข้าไปถามว่าป่วยเป็นอะไรเขบอกว่าไม่ได้เป็นอะไร พระราชากิ้วหรือภรรยาถามไม่เขาตอบคนที่บ้านเช่นบุตรคนใช้เป็นต้นทำให้ไม่พอใจหรือไม่ท่านอยากอะไรหรือเขาอยากบอกว่าอยากกินขนมเบื้องแต่กลัวเสียทรัพย์จึงทำเฉยเสียเมื่อภรรยาอ้อนวอนถามหนักเข้าจึงบอกว่าฉันอยากกินขนมเบื้องภรรยาของเขาหัวเราะเห็นเป็นขันที่เศรษฐีมีทรัพย์ถึงแปโวงเล็บอล้าน แต่ต้องป่วยเพราะอยากกินขนมเบื้องซึ่งคนจนๆก็กินได้เท่านั้นเองหรือภรรยาถามก็เท่านั้นทำไมคุณไม่บอกฉันเอาเถอะฉันจะทำขนมเบื้องให้พอแจกคนทั้งนิคมเศรษฐีทะลึ่งพวดขึ้นนั่งด้วยความตกใจและกล่าวไรสาระเรื่องอะไรจะต้องไปเลี้ยงเขาเขาทำงานเพื่อตัวเขาเองก็ต้องกินของตนเองถ้ากะนั้นฉันจะทาให้พอแจกคนในตรอกนี้ อย่าเลยแม่คุณใครๆรวมทั้งฉันด้วยรู้แล้วว่าเธอรวยมีทรัพย์มากถ้าอย่างนั้นขอทําให้พอกินกันทั้งเรือนฉันรู้มานานแล้วว่าเธอนอัธยาศัยกว้างขวางนักเศรษฐีประชดถ้าอย่างนั้นขอทําให้พอแก่ลูกเมียโอ้อย่าอย่าเชียวพวกลูกๆไม่จําเป็นต้องกินขนมเบื้องหลอบถ้าอย่างนั้นจะทอดให้พอแก่เราสองคนเศรษฐีนิ่งผู้หนึ่งในที่สุดก็กล่าวว่า เธอกินขนมเบื้องเป็นด้วยหรือภรรยาหัวเราะพรางกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นจะทอดให้พอคุณรับประทานคนเดียวเอออย่างนั้นสิเศรษฐีว่าแต่เธอจะทอดที่ไหนล่ะก็ห้องครัวของเรามันมีอยู่ไม่ใช่หรือทอดในห้องครัวสิคุณไม่ได้ทอดที่นั่นเดี๋ยวคนอื่นรู้เข้าก็จะต้องอยากกินด้วยไม่ดีเอาอย่างนี้ดีกว่าเธอเลือกข้าวสารหักหักอย่าเอาข้าวสารดี เตานมเนยใสยน้ำพึ่งน้ำอ้อยอย่างละนิดอย่างละหน่อยขึ้นไปบนชั้นที่7แล้วทอดที่นั่นฉันจะนั่งกินคนเดียวภรรยาให้ทาสีถือเอาเครื่องอุปกรณ์ต่างๆในการทําขนมเบื้องขึ้นไปบนชั้นที่7เศรษฐีตามขึ้นไปปิดประตูใส่ลิ่มตั้งแต่ประตูแรกเลื่อยขึ้นไปภรยาของเขาติดไฟเริ่มทอดขนมเบื้องวันนั้นพระาศาสดาทรงตรวจดูอุปนิสัยของเวณัยยสัต เวลาใกล้รุ่งทรงเขนอุปนิสัยแห่งโสดาปฏิผลของเศรษฐีและภรรยาแล้วตรัสเรียกพระมหาโมคลานะมาแต่เช้าแล้วให้พระมหาโมคลานะไปชักจูงเศรษฐีโกียะที่สักระนิคมพระองค์และพระห้าร้อยจักคอยเสวยขนมเบื้องอยู่ที่วัดเชตวันพระมหาโมคลานะไปที่นั่นด้วยฤทธ์ไปยืนอยู่ที่หน้าต่างของเศรษฐี โกสิยะเหลือบมาเห็นก็ตกใจพึมพำว่าเราอุตสาห์ขึ้นมาทอดขนมถึงชั้นที่เจ็ดก็เพราะกลัวบุคคลประเภทนี้แล้วก็หลีกไม่พ้นจึงพูดออกไปว่าสมณะท่านอยู่ทาไมในอากาศนอกหน้าต่างแม้จะจงกรมอยู่ในอากาศก็จะไม่ได้อะไรพระเถระจงกรมกลับไปกลับมาอยู่ในอากาศเศรษฐีกล่าวอีกว่าท่านจงกรมจะได้อะไรต่อให้นั่งสมาธิ บันลังบนอากาศก็จะไม่ได้อะไรพระเถระได้นั่งสมาธิบันลังเศรษฐีกล่าวว่าแม้บังหวนควันก็จะไม่ได้อะไรพระเถระบังหวนควันเศรษฐีไม่กล้ากล่าวว่าแม้ท่านให้ไฟลุกขึ้นก็จะไม่ได้อะไรเพราะกลัวไฟไหม้ปราศาสตคิดว่าสมณะนี้คงทำจริงไม่ได้คงไม่ไปแน่เราควรให้สักหน่อยหนึ่งดังนี้แล้ว กล่าวกับภรรยาว่าจงทอดขนมชิ้นเล็กๆให้เขาสักชิ้นหนึ่งภรรยาหยอดแป้งลงในกระทะเพียงนิดเดียวแต่ขนมกลับกลายเป็นชิ้นใหญ่พองขึ้นเต็มถาดเศรษฐีเห็นแล้วคิดว่าคงจะหยิบแป้งมากไปจึงตักแป้งด้วยมุมทับผีเองทีเดียวขนมกลับใหญ่กว่าชิ้นก่อนซะอีกเขาเกิดเบื่อหน่ายจึงให้ภรรยาหยิบขนมชิ้นหนึ่งในกระเช้าให้พระ เมื่อภรรยาหยิบปรากฏว่าขนมในกระเช้าติดกันหมดแยกไม่ออกนางจึงบอกสามีคราวนี้สองสามีภรรยาก็ช่วยกันดึงขนมจนเหงื่อท่วมตัวก็ไม่ออกความหิวหายไปเขาจึงกล่าวกับภรรยาว่าข้าหมดหิวแล้วมอบให้ท่านสมณะไปเถิดนางสวยกระเช้าได้นำขนมถวายพระเถระพระมหาโมคคลานะแสดงทำให้ฟัง มีพรรณนาถึงขุนพระรัตนไตรและแสดงถึงอานิสง์แห่งทานเป็นต้นให้แจ่มแจ้งเหมือนบุคคลมองเห็นดวงจันทร์ในท้องฟ้าเศรษฐีและภรรยาเลื่อมใสนิมนต์ท่านฉันอาหารบนบันลังของตนแต่พระเถระกล่าวว่าบัดนี้พระาศาสดาและภิกษุจำนวนห0 0คอยเสวย อ, อยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีหากท่านเศรษฐีต้องการพร ะ, พระาศาสดาก็ให้ภรรยา ถือขนมไปเถิดจากนำไปเฝ้าพระศาสดาท่านผู้เจริญระยะทางไกลยอย่างนี้จะไปให้ทันเวลาได้อย่างไรข้อนั้นเป็นหน้าที่ของอาตมาภาพพระเทระตอบแล้วท่านก็นำเศรษฐีและภรรยาไปด้วยฤทธิ์ของตนเสมือนดนึงว่าเศรษฐีลงจากปราสาทแล้วถึงวัดเชตวันขนมเพียงกระเศ้าเดียวเลี้ยงพระถึง500ก็ไม่หมดให้คนวัดกินอีกก็ไม่หมด พระศาสดารับสั่งให้ทิ้งขนมที่เหลือที่ใกล้ซุ้มประตูวัดเฉตวันนั่นเองสถานที่ตรงนั้นเรียกกันต่อมาว่าเงื้อมขนมเบื้องพระศาสดาตรัตอนุโมทนาให้เศรษฐีและภรรยาดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลแล้วหลังจากนั้นเศรษฐีได้สลละทรัพย์เป็นอันมากออกจำแนกแจกทานบำเพ็ญกุศลสาธารณะประโยชน์ทำทรัพย์อันไม่มีสาระให้มีสาระ เย็นวันนั้นภิกษุทั้งหลายสนทนากันพนานาถึงอนุภาพของพระมหาโมคคลานะพระาศาสดาเสด็จมาแล้วตัดสรรเสริญพระเถระว่าธรรมดาภิกษุผู้ฝึกฝนอบรมตระกูลควรเป็นเช่นพระโมคคลานะไม่กระทบศรัทธาและโภค ะ, ะของสกุลให้สกุลรู้คุณพระรัตนไตรและอานิสงค์แห่งทานเป็นต้นเหมือนพระมอนไม่ให้ดอกไม้ชอกช้ำดื่มแต่น้ำหวานดังนี้แล้วตัดว่า ยถาปิภะมโรปุพังเป็นอาทิมีระยะดังอธิบายมาแล้วแต่ต้นนั่นแหละกิจของตนพระพุทธภาสิทธะประเรสังวิโลมานินปรเรสังกตากตังอัตโนวะเอเวคเฮยะกตานิอกตานิจะความว่าบุคคลไม่ควรใส่ใจในคำหยาบของคนอื่น ไม่ควรเพ่งเล็งกิจที่ทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำของคนอื่นแต่ควรพิจารณาถึงกิจที่ทำแล้วหรือยังมิได้ทำของตนดีกว่าพระอาตกรถาอาจารย์อธิบายว่าคำหยาบคือคำที่ตัดเสียซึ่งความรักคือทำให้คนฟังเกลียดชังคนพูดคำหยาบนั้นมีหลายประเภทเช่นประชดกดให้ต่ำคือด่ากระทบกระเทียบเปรียบเปรยเป็นต้น โดยปกติใครพูดคำหยาบความชั่วก็ตกอยู่แก่คนนั้นคนที่ถูกด่าถูกประชดหาชั่วไปด้วยไม่เมื่อไม่รับคำหยาบนั้นก็ตกอยู่แก่ผู้กล่าวแต่ผู้เดียวคำหยาบย่อมมาจากจิตใจที่หยาบท่านจึงสอนไม่ให้เอาคำหยาบของคนอื่นมาใส่ใจใครพูดคำหยาบก็ปล่อยให้เป็นของเขาไปอันหนึ่งหน้าที่ของคนอื่นการงานของคนอื่นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขา เขาจะทำหรือไม่ทำก็เป็นเรื่องของเขาอย่าเอามารกสมองรกหัวใจนักนอกจากเรามีหน้าที่รับผิดชอบอยู่ด้วยการสอดส่องนั้นเป็นหน้าที่ของเราจึงต้องทำอย่ามัวมองแต่ความสกรปรกในบ้านของคนอื่นจงหมั่นตรวจตราความสกรปรกในบ้านของตนเองและหมั่นทำความสะอาดมันพิจารณาการงานอันเป็นหน้าที่ของตนว่าได้ทำสมบูรณ์แล้วหรือไม่หน้าที่ของเราสาคัญ ข้อว่าไม่ควรเพ่งเล็งจิตของคนอื่นนั้นพระอัฏกถาาจารย์อธิบายไปในแง่ธรรมอย่างเดียวว่าไม่ควรแลดูกรรมที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำของคนเหล่าอื่นอย่างนี้ว่าอุบาสกคนโน้นไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสไม่เคยให้อาหารแม้ข้าวทัพีเดียวไม่เคยถวายจีวรอุบาสิกาโน้นก็เหมือนกันภิกษุโน้นไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสไม่ทาอุปชายวัตรอาจารยวัต อาการตุกขวัตเป็นต้นทุดงก็ไม่มีความอุตสาหะพยายามในภาวะก็ไม่มีส่วนข้อว่าพึงพิจารณากิจของตนนั้นพระอัคกถาจารย์อธิบายไว้ดังนี้กุลบุตรผู้บวชด้วยศรัทธาเมื่อระลึกถึงพระโอวาทนี้ว่าบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ดังนี้แล้วพึงใส่ใจในกิจของตนว่า เราอาจหรือไม่ที่จะยกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วทำตนให้พ้นจากกิเลสทั้งปวงพระาศาสดาตรัสพระพุทธภาสิทธินี้เพราะทรงปรารกอาชีวกชื่อปาติกะซึ่งด่าว่าเสียดสีอุบาสิกาน า, นานาประการมีเรื่องย่อดังนี้อาชีวกผู้นี้คุ้นเคยอยู่กับสกุลหนึ่งมีสตรีแม่บ้านผู้หนึ่งอุปธรมบารงอยู่เหมือนบุตรของตน ต่อมานางได้ฟังคถาสรรเสริญพระพุทธเจ้าและพระธรรมมเทศนาของพระพุทธเจ้าจากเพื่อนบ้านว่าพระพุทธเจ้าดีอย่างนั้นอย่างนั้นพระธรรมเทศนาของพระองค์ไพเราะอย่างนั้นอย่างนั้นนางใคร่จะได้ฟังธรรมบ้างจึงบอกอาชีวกอาชีวกเกรงว่าหากนางไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วนางจากเลื่อมใสศรัทธาแล้วขาดความเลื่อมใสนในตนจึงไม่บำรุงตนอย่างที่เคยจึงห้ามไว้ทุกครั้งว่า อย่าไปสำนักของพระสมณโคดมเลยนางจึงหาวิธีใหม่คืออัญเชิญพระศาสดามาสู่เรือนของตนจึงให้บุตรชายคนหนึ่งไปถูลรัตนาพระศาสดาที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีบุตรชายไปนิมนต์พระพุทธเจ้าแต่แวะไปหาอาชีวก่อนอาชีวกรู้เรื่องแล้วจึงห้ามว่าอย่าไปเลยไม่ได้แม่จะดุเด็กว่าผมต้องไปอย่าไปดีกว่าอาชีวกพูด เมื่อเธอไม่ไปพระพุทธเจ้าไม่มาเราสองคนจะได้กินเครื่องสการะข่าวหวานที่แม่ของเธอเตรียมไว้สำหรับพระพุทธเจ้าแต่เด็กยังยืนยันจะไปเพราะกลัวแม่ดุอาสีวกจึงว่าไปก็ได้แต่อย่าบอกเรือนและทางที่ไปคราวนี้พระพุทธเจ้าก็ไปไม่ถูกพรุ่งนี้เราสองคนจะกินอาหารที่แม่ของเธอเตรียมไว้เธอก็ไม่มีความผิดเพราะได้นิมนต์แล้ว เด็กเชื่อไปนิมนต์พระพุทธเจ้าและทําตามที่อาชีวกว่าทุกอย่างแล้วกลับมาบอกอาชีวกอีกทีหนึ่งวันรุ่งขึ้นอาชีวกไปยังเรือนของอุบาสิกาแต่เช้าพวกเพื่อนบ้านที่เลื่อมใสพระพุทธเจ้าได้ช่วยกันสาบทาเรือนด้วยโคไมสดโคไมสดคือขี้วัวใหม่ที่อินเดียถือว่าเป็นการต้อนรับที่มีเกียรติในการทําเช่นนั้นในการแต่งงานก็เหมือนกันเขาต้องเอาขี้วัวสดสดใหม่ๆมาทาฝาเรือน และลาดทางที่บ่าวสาวจะเดินเป็นเกียรติโปรยดอกไม้ปูลาดอาสนะอันควรแก่พระศาสดาท่านว่าคนที่ไม่คุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าย่อมปูอาสนะไม่เป็นรุ่งเช้าพระศาสดาเสด็จไปเรือนของอุบาสิกาอย่างถูกต้องเพราะพระองค์ทรงรู้ทางทั้งปวงแม้ทางไปนรกสวรรค์ยังทรงทราบจะกล่าวไปใหญ่ถึงทางไปบ้านนั้นนิคมนี้ ย่อมทรงรู้ได้ด้วยญาณทรงรู้แจ้งแทงตลอดตั้งแต่วันที่ได้จัสรู้แล้วอาชีวกรู้จากพระพุทธเจ้าน้อยไปอุบาสิกาออกมาต้อนรับถวายบังคมด้วยเป็นจางพระประดิษฐ์อัญเชิญให้เสด็จเข้าไปภายในเรือนเมื่อพระพุทธเจ้าประทับนั่งแล้วนางได้ถวายน้ําทักษิโนทกแล้วถวายขาทนิยะโภชนียาหารอันประณีน้ําทักษิโน ทกในที่นี้น่าจะเป็นน้ำล้างพระบาทหรือบ้วนพระโอตเพื่อเตรียมสเสวยในอินเดียแม้แต่ในร้านน้ำชาก็เสิบน้ำให้แข่ก่อนเพื่อบ้วนปากหรือล้างมือตามประสงค์คนส่วนมากแม้ในคนชั้นสูงก็ยังนิยมบริโภคอาหารด้วยมืออยู่เมื่อถวายเสร็จแล้วพระองค์ทรงอนุโมทนาด้วยพระธรรมเทศนาและพระสุรเสียงอันไพเราะอุบาศิกาฟังธรรมพลางกล่าวพลางว่าสาธุสาธุสาธุ อาศีวกนั่งอยู่ห้องหลังฟังเสียงอุบาสิกาว่าสาธุสาธุไม่อาจทนอยู่ได้เพราะความริษยาคิดว่านางไม่เป็นของเราเสียแล้วจึงด่าพระาศาสดาและอุบาสิกาเป็นอันมากมีอาธิว่าอีการลกินีมึงเป็นคนชิบหายมึงจงทำสการะแก่พระสมมาคโคดมเถิดดังนี้แล้วหลีกไปอุบาสิการู้สึกละอายต่อคำอันหยาบคายของอาศีวกนั้นเป็นอย่างยิ่ง ฟงงซ่านไม่อาจส่งกระแสจิตไปรับพระธรรมเทศนาได้พระาศาสดาทรงทราบดังนั้นจึงตัดว่าไม่ควรระลึกถึงถ้อยคําเช่นนั้นของคนเช่นนั้นพึงตรวจดูกิจเฉพาะหน้าของตนดังนี้แล้วตัดพระพุทธพจน์ว่าณประิยะสั่งวิโรมานิเป็นอาทิมีนัยยะดังที่ได้ที่บายมาแล้วแต่ต้นนั่นแลสุดท้ายบาสิกาได้สําเร็จโสดาปฏิผล ยังธรรมกถ า, าสาทยสมันเตหิสัสนละเคตาภาติคงพอจำได้เนาะพุทธภาษิต มีหลายเรื่องหลากหลายนี่เพื่ออธีบายเรื่องของจิตใจจำไม่ได้มากก็ข้อสุดท้ายจำให้แม่นหน่อยอย่าใส่ใจในเรื่องของคนอื่นมากให้ใส่ใจในเรื่องของเราเองบางทีมันก็ลืมเนีเพราะว่ามันเคยชิ น, นโดยเฉพาะอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจมันไวเหลือเกิน มาปุ๊บมันก็ไปปับหรือไม่ไปปับมันก็เก็บไว้ในใจแล้วก็ไม่จิตใจของตนเองร้อนรนกรวนก歪เนะี่ยคำที่น่าปรารถนาก็ไม่สู้อะไรแต่มันก็เป็นยาพิษอย่างหนึ่งเหมือนกันนะแต่มันเย็นนะีความเย็นก็ทําให้ตายได้เหมือนกันเนะี่ยความร้อนนะก็คือสิ่งที่ไม่น่าปรารถนานะี่ ทั้งสองอย่างนี้ท่ก็ว่าให้ให้ดูจิตใจของตนเองอย่าไปใส่ใจในเรื่องของคนอื่นแล้วศัจธรรมความจริงก็เป็นอย่างนั้นอย่างที่พระองค์ตัดไว้เนี่ยแม่เขาจะว่าอย่างไรก็ตามถ้าเราไม่รับแล้วมันเป็นของใครเนี่มันก็เป็นของคนที่เขาทําก็พูดนั่นแหละแม่เขาจะด่าขนาดไหนมันเป็นอากาศเป็นลมเป็นแรงไปเนี่ยมันไม่มากระทบเราไม่รับสัอย่างมันก็ไม่โดนนะ นี่เขาเรียกว่ามีพระดีป้องกันอดีก็มีพระห้อยคอเต็มคอนี่ป้องกันไม่ได้ยิงนัดไหนก็ตรงเพ้งเ <c oughs> ข้าถึงใจเลยมึงด่ากูทําไมวะพระก็กันไม่ได้นี่พระห้อยคอนี่แต่ถ้ามีพระคือสติมีสติมีปัญญายคอยป้องกันเนี่ยยิงเท่าไหร่ก็ไม่ถูกนี่ยิงก็รั่วเท่าไหร่มันก็ไม่โดนนี่ไม่โดนน นั่นคือมีเกาะป้องกันเนี่ยสมกับที่พระองค์ว่าจงมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งกันได้จริงๆเนี่ยกันลูกกระสุนกันระเบิดระเบิดภายนอกก็ไม่สู้อะไรเนาะระเบิดอันนี้แหละมันน่ากลัวเนี่ยแต่ถืงว่าเออให้รักษาตนเองรักษาจิตใจตนเองอย่าไปใส่ใจเรื่องของคนอื่นก็น่นาคิดแตบางทีมันกดไม่ได้นะเนี่ย ทำไมคนนั้นทำคนนั้นไม่ทำนี่ยเขาเอาเป็นเรื่องคนอื่นนะเราไม่มองดูตนเองตนเองทำหรือไม่ทำอันนี้สำคัญกว่านี่นะเรื่องคนอื่นก็เรื่องของคนอื่นนะเพอเพออัตมาก็โดนด้วยเหมือนกันเมื่อเอาตนเองจัดการไม่ได้ก็ลามมาใส่อัตมาอีกเอาทําไมไม่ดูทําไมไม่บอกทําไมไม่สอนอ้าวอีกแล้วนี่นั่นก็คือไม่ได้วกเข้ามาดูตนเองนะไปสนใจทําไมเรื่องของคนอื่นเนี่ย ตนเองบ้านของตนเองสกปภพ ก, ก็ทําให้มันสะอาดก่อนเธอเนะีจะได้นอนหลับสบายหายใจสะดวกนะเรื่องของคนอื่นก็เป็นของคนอื่นไปซะนะีบางทีอุบายธรรมะนี่ดูตื้นตื้นก็เหมือนลึกลึกก็เหมือนตื่นนะถ้าเราไม่เข้าใจน่ยมันก็เป็นลักษณะนี้ความเคยชินเพราะเราเคยไหลไปตามอํานาจของกิเลส ข, ของตัณหาเนะี่ยมาปุ๊บมันก็ไปปั๊บเลยนะีไม่เคยหักห้าไม่เคยยับยัง้ง ท่านจึงว่าให้เบรกหน่อยนีตั้งสติไว้หน่อยเนียพอมาปุ๊บหยุดสักนิดหนึ่งคิดสักนิดหนึ่งนีเออดีไมนะ่เนาะหรือไม่ดีอพอมันยั่งไว้ได้หรือไม่ก็ขันตินะการติทนทนไว้ก่อนมีอยู่แต่ทนไว้เก็บไปข้างในถ้าทนไว้ได้นีความอดทนนี่ยังเป็นตบะอันหนึ่งนีที่จะทําให้ธทำที่ไม่เกิดก็เกิดขึ้นได้เนี่ย ถ้าไม่อดทนนะอาคุรสธรรมทั้งหลายก็ได้ช่องได้โอกาสมันมาปุ๊บไปปั๊บนี่ยังไม่ได้ตั้งหลักเลยมาเสียใจภายหลังอีก น, ะนั่นคือโทษโทษของความไม่อดทนไม่มีคติธรรมนะไม่ยับยั้งนะนี่คำว่าใข้ครวรไตสวนซะก่อนนะก่อนที่จะพูดจะทำอะไรนะี่เป็นลักษณะของบัณฑิตนะี่ บัณฑิตพอกระทบปุ๊บนี่ไม่หวั่นไหวเหมือนอก้อนหิ น, นตั้งตะ ง, งานอยู่ลมพัดลมขนาดไหนก็ไม่หวั่นไหว น, นี่เพราะว่ามีทำหนักแน่นนั่นคือว่ากำลังของบัณฑิตนี่บัณฑิตมีการเพ่งพินิจ ต, ตนเองรู้สึกตัวเองอยู่เป็นกำลังนี่ กำลังของบัณฑิตพูดอยู่เรื่อยเลยเพื่อให้ได้สตินี่กำลังของบัณฑิตกำลังของคนพาลโยมจำได้ไหมกำลังของคนพาลคืออะไรนี่พูดภาษาธรรมะเลยพระพุทธเจ้าตัดไว้นะไม่ใช่ไม่ใช่เรามาพูดกันเฉยๆนะคนพาลมักจะเพ่งโทษคนอื่นระวังให้ดีนั่นคือเป็นกำลังของคนพาลเนย พอมองเพ่งโทษคนโน้ น, นคนนี้เราวางพอนึกถึงธรรมะโอ้ยละอายอยากจะมุดดินหนีเลยนะีถ้าคนมีความละอายรู้สึกละอายนะนี่ถ้าคิดจะเพ่งโทษคนอื่นพวกนี้โอ้ละอายเนะียมันเป็นลักษณะของคนผ่านเป็นกําลังสําคัญของคนผ่านเลยแหลนะถ้ามองไบ่อยเพ่งบ่อยๆนะก็โอ้ยทีนี้ก็ผ่านไปทั่วเนาะสมกับว่าผ่านจริงๆนะผ่านไม่เลือกเลยแหละเพราะว่าเป็นผ่านแล้วนี่แต่นั้นกําลังนี่เราก็ต้องเรียนรู้เมันกันที่พระเ จ, เจ้าเท่ั้นะ กำลังแปดประการอย่างน้อยๆก็รู้สองข้อนี่ก็ยังดีเนี่พอมันเป็นข้อปฏิบัตินี่บัณฑิตเพลงพินิษต์ตนเองเป็นกำลังคนี่ยคนพาลจับโทษคนอื่นเป็นกำลังหรือเพลงโทษคนอื่นเป็นกำลังนยดูสิมีดีที่ไหนนะเนี่ดำปาคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ดีอ้าวมันมีเหมือนกันนะคนลักษณะนี้ จนไปที่ไหนใครก็ลาคาญเหมือนกันมาแล้วก็พวพันาติดเรื่องคนโน้นเรื่องชาวบ้านคนโน้นคนนี้เนะี่ยฮะความสงบไม่ได้บางทีพระก็ยังลืมตัวนะสมัยหนึ่งมีพระเป็นเพื่อนรุ่นคล้ายๆรุ่นเดียวกันเนะี่ยไล่เรียกกันเป็นน้องอุตมาน่อยอันนี้ก็แปลกเนะี่ยขาดสติอยู่เรื่อยเลยเนะี่ยพอมานะมีแต่เรื่องคนโน้นคนนี้พระด้วยกันเนะี่ยองนั้นก็ไม่ดีองค์นั้นก็ไม่ดีลามาไปถึงครูบาอาจารย์อีก นี่ครูบาอาจารย์นั้นก็ไม่ดีอย่างนน้นอย่างนี้นะเขาทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะียไม่ได้ดูตัวเองหรืตนเองดีขนาดไหนนี่เหมือนกับว่าไม่ได้ศึกษาแต่ก็มีความรู้เยอะนะฉลาดมากนะีย น, นี่ฉลาดอยู่แต่ว่าไม่ไมฉลาดในการรักษาจิตของตนเนะี่ยฉลาดในการที่จะหาโทษเพ่งโทษคนอื่นนะ่ยฉลาดเก็บโน่นเก็บนี่ละเอียดยิบเลยนะเนี่ยเรียกว่าเล่าได้ละเอียดจริงๆเนะี่ยเป็นเรื่องเป็นราวให้คนเชื่อได้นะว่างั้นแต่เนะี นั่นคือไม่ได้ดูตนเองนี่ฉะนั้นตจว่าหัดเป็นคนนิ่งหัดเป็นคนอดทนอดกลั้นน่ย อ, อ, อย่าพรีพรําลได้ยินอะไรก็ฟังไว้นฟังแล้วพิจารณานะมันก็จะสงบไปเองนะแม้มันจะมีความรู้สึก ภ, ภายในจิตใจลึกๆมันมีอยู่ก็ช่างมันนให้มันรับไว้แล้วก็พิจารณาดูถ้ามันยังเอาออกไม่ได้นะ พอมาตัวดูตายแล้วทําไมสิ่งโสภกเรารับไปไม่รีบล้างออกเนี่ยเราจะได้รู้จักล้างไงพอรู้ว่าโอ้ยสิ่งนี้มันเปื้อนใจเราเนี่ไปที่ไหนก็เม้นเหมือนหลวงพ่อสาว่าอ <c oughs> ไม่ล้างออกเนียขี้ไก่เม้นเม็นก็ดมอยู่นั่นแหละไม่ยอมล้างเลยผมว่าขี้ไก่นะดมดูสิมันจะไปคนอื่นดมอีกเนี่ยอย่างรู้วันเม็นแล้วดมดูดนงทีมันใช่ไหมขี้ไก่ไหม แทนที่จะเป็นล้างออกเนี่ยไม่ยอมล้างเนี่ยมันก็เหม็นทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยทำมาบางทีมันก็อยกเพื่อนเตื้ น, ตนแต่เราก็ไม่ค่อยได้ดูกั น, เ, นเพราะว่าเรามองมองออกไปข้างนอกไม่ได้มองเข้ามาข้างในทําข้อเดียวแต่มาว่านี่ทําข้อเดียวโอเปนายโกที่ท่านบอกคําที่คุ้นเคยคุ้นจนเป็นสัญญาแต่ว่าไม่รู้น้อมออกม า, ม า, มาพิจารณามากน้อยแค่ไหนเนี่ย โอปะนาจิโกนี่น้อมเข้ามาน้อมเข้ามาถ้าน้อมเข้ามาแล้วมันจะเห็นเห็นบ้านตนเองเนะถ้าไม่ก็มาเห็นแต่บ้านคนอื่นบ้านคนนั้นก็แหมสวยไม่งามบ้านคนนั้นก็แหมลกแต่งไม่ดียังรู้หมดข้างนอกเนียแต่บ้านตนเองลกลุงลังไปหมดเนี่ยนั่นแหละไม่ได้โอปะนาจิโกแต่โอปะนาจิโกแ ล, แล้วก็เออแหมบ้านเราก็บกพร่องเยอะเหมือนกันเนาะหน้าที่ที่จะทํากับบ้านตนเองโอ้ยมันเยอะเหลือเกินยังลกลุงลังอยู่นะ นั่นคือเรามาทำหน้าที่เนียภาษิตนี้ถึงบอกว่าอย่าสนใจ่ากิจการงานบุคคลอื่นว่าทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำมันเป็นเรื่องของเขาหรืออย่าใส่ใจในคำพูดในอารมณ์ที่ไม่พอใจไม่เป็นที่ชื่นใจพอใจอะไรนี่ก็ปล่อยให้เป็นของเขาไปเถอะเรื่องของเขาแล้วมันสบายจริงๆนะลองดูก็ได้แต่เราปีอิสระเลย ถ้าเราทําลักษณะนี้เลยบ้านของเราจะสะอาดนี่แล้วก็ไม่มากไปด้วยเวนไม่มากไปด้วยไพ่นี่ไม่มีเวนไม่มีไพ่นะนี่ถ้าดีจริงๆแล้วไม่มีเวนไม่มีไพ่หรอกเนี่ยไม่รู้อตมาไม่เคยไม่เคยมีเวนกับใครคิดว่าอย่างนั้นนะตั้งแต่เกิดมาก็ไม่ไม่เคยสร้างเวนไพ่กับใครเขาไม่พอใจนะมีอยู่บ้างนี่แต่เราก็ไม่เคยคิดน ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่เพื่อนไปอยู่กับคนที่เขาว่าโอ้แย่ที่สุดก็อยู่ได้เพราะเราดีกับเขาเนะี่ยเราไม่ได้ไปอะไรกับเขาเนะี่ยคือทําใจให้มองในแง่ดีนะมองในแง่ดีไว้เนี่ยนี่บางทีเนยะคนที่คนเขาเกลียดมากๆเรายัางสงสารเลยเนะี่ยทําไมต้องไปเกลียดเขามากเนะี่ยเขาเป็นบุคคลที่น่าสงสารต่างหากเนะี่ยใครก็ ลุ้มไปโกรธไปไม่ชอบไม่อะไรเนี่ยควรจะหาทางช่วยเหลือเขาให้กําลังใจเขาเจิตใจมันจะอ่อนโยนถ้าคิดอย่างนี้นะเนี่ยถ้าคิดผสมโรงกันโอยจิตใจแข็งกระด้างอยากจะฆ่าจะแกงมมนเลยเนี่ยตายไปซะก็ดีไอ้คนนี้อยอยู่โลกๆเลยเนี่ยอย่าคิดไปคนละขั้วนะนี่ยถ้าจิตมันมีเมตตามันก็ตรงกับคำสอนพระพุทธเจ้านะแม้ศัตรูท่านก็ไม่ให ไม่ให้อาคาตพยาบาทไม่ให้จองเวรเนี่ยจงแผ่เมตตาให้แม้กระทั่งศัตรูนี่คาหนึ่งที่พูดอยู่บ่อยๆที่ประทับใจก็คือแม้จะมีคนเขาเอาเรื่อยใหญ่ๆมออาด้วยไอ้อวัยวะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยถ้าจิตใจของเรายังมีความโกรธความไม่พอใจต่อคนนั้นอยู่ต่อคนที่กระทาอยู่พระเจ้าว่ายังไม่ใช่คนของพระพุทธเจ้าอย่างนั้น ยังไม่ใช่ภาษาวกยังไม่ใช่ไม่ใช่ลูกศิษย์ของพระองค์บางทีนึกโอ้มันก็หนักเหลือเกินน้องกิเลสมันหนาเนี่ยกิเลสหนามันก็ยากเหมือนกันเนี่อะไรจะขนาดนั้นนะแต่มันเป็นได้จริงๆเมื่อจิตมันเมตตามันถึงที่สุดเนี่ยเมตตามันมากแล้วมันก็มองในงแง่นั้นจริงๆ เ, เมื่อเขาอยากจะจองเวนทําเวนขเขาก็าให้เขาทําไปเถอะแต่เราจะไม่มีเวนกับใครเนี่ย ด้วยเมตตาจิตนี่มันก็สามารถเอาชนะเข้าได้เหมือนกันนะดังที่เคยเล่าให้ฟังนะเราต้องข่มใจหน่อยหนึ่งแล้วโยมจะทําได้ไหมลนะ่ะอัตมาก็ไม่คิดว่าจะทําได้แต่ก็ทํามาแล้วเหมือนกันหรือว่าเป็นพระเลยก็ไม่แน่นะพระก็โกรธเป็นเหมือนกันพระก็โกรธเป็นเหมือนกันถ้ากิเลสมันยังมีโอ้ยเข้ามาชี้หน้าเดินชี้หน้าดา่าเสียเสียให้หา ย, ยโยม ถ้าเป็นโยมก็น่าดําหน้าแดงใส่กันเนี่ยแล้วอามันไปข้างหนึงแล้กูก็มีมือมีเท้าเหมือนกันเนี่ยจำบดากูได้ปากกูก็มีเหมือนกันเนีแต่เราไม่ได้คิดอย่างนั้นที่เขาพูดนั้นเราพิจารณาเขาด่ามันจริงไหมถ้ามันไม่จริงมันก็ไม่ถูกก็ไม่ถูกก็ไม่มีอะไรกับเราเนี่ยเขาด่ามันมันไม่ถูกสักคำอ่ะเยกว่าพระขี้โรคเขาว่างี้พระขี้โรค ทีของชาวบ้านนะ่ะบินทบาททุกวันเนะี่ยเอามากินทุกวันแล้วนะแล้วไม่สํานึกเลยนะโหมันด่าอย่างนี้เลยได้มือชี้หน้าอีกต่างหากนะด่าก็ด่าเนะี่แต่มาก็เดินไปหาเลยแหละเดินไปยิ้มยิ้มหน่อยหนึ่งยิง้มหนึ่งยิง้มไม่ได้แสดงอาการอะไรอไปก็เออยมไม่เป็นไรหราก็ยอมว่าไปเถอะนะแต่มาก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะถ้ายมพอใจจะว่าแต่ว่ามันจะจริงหรือไม่จริงก็ไม่เป็นไรนะ พอเขาว่าไปก็บอกว่าอาตมาให้เกียรติโยมนะโยมจะว่าอะไรก็ว่าไปเถอะนี่พ่อตมาเนี่ยก็ยังไม่รู้อะไรมากเท่าไหร่เขาว่าอย่างนั้นยังไม่รู้สิ่งที่โยมพูดมาทั้งหมดก็เป็นความรู้สึกของโยมนะแต่ตมาก็คงจะคงมีความรู้สึกว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นนะก็เลยชี้แจงให้ฟังบ้างอะไรบ้างเนี้ย นี่ถ้าเราไม่มีอารมณ์กับเขาพูดดีๆกับเขาเนี่ยเขาก็อ่อนลงเองนะอ่อนลงลงสุดท้ายก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นพระไม่เกี่ยวเขาบอกพระไม่เกี่ยวทีนี้ก็ไปเกี่ยวคนอื่นนะทีพอพระไม่เกี่ยวก็ไปใส่ครับศัตรูอยู่คนด้วยกันโอ้ยทีนี้มันหนักเหลือเกินนีแต่มาก็มีครั้งเดียวครั้งแรกที่ได้เป็นกรรมการเนี่พอเสร็จเขาว่าถ้างั้นพระไม่เกี่ยวไปใส่กันโอ้ยแบก มีดแบกพระจะฟันกันนะเราก็มันต่อหน้าต่อตาเนะเราในฐานะเป็นพรนะนี่ลองดูสักทีก็ดีเหมือนกันนะก็เลยเดินไปเนะี่ยอย่างน้อนะก็เห็นพระก็อาจจะเกิดความรู้สึกบ้างคิดว่างั้นนะก็ได้ผลจริงนะเข้าไปก็โยมนะตอนนี้อะโยมทั้งสองฝ่ายนะอนี่ยังร้อนอารมณ์ยังไม่ดีเลยเนะี่ยถ้าเราทำในขณะนี้เราจะเสียใจมากนะ ถ้าเราทําตามความรู้สึกในขณะ น, นี้ทั้งสองฝ่ายเราจะเสียใจมากเนี่ยอีกประการหนึ่งเราก็ไม่ใช่คนบ้านไกลกันอะไรอยู่ใกล้ใกลกันเองเนี่ยเห็นหน้ากันอยู่แทบทุกวันเนี่ยเมื่อเรามาทําสิ่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยโอ้ยมันจะเป็นแผลในใจเราเราจะเสียใจนานมากเลยเนี่ยแต่มาว่าให้อารมณ์ดีๆก่อนหยุดแยกกันเสียมีอะไรก็เก็บไว้ในใจก่อนเราไปคิดพิจารณาให้ดีนียเวลาอารมณ์ดีๆค่อยมาคุยกัน มันจะรู้เรื่องอาตมาว่าอย่างนี้อัตมาก็คงมีความบังดีแค่นี้นะที่ที่มาบอกมาเตือนจะว่าสอนเรื่องะไรก็แล้วแตนะ่เพียงแต่ให้สติเท่านั้นนะเพราะว่าสงสารเห็นโยมนะมองดูการไกลเนะี่ยเพราะเราต้องอยู่ด้วยกันอีกนะี่ถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็ให้พิจารณาดูนะอาตมาก็หมดหน้าที่แล้วแต่โยมจะพิจารณา แตมาขอลาก็เลยออกไปจากนั้นก็ได้ผลนะไปถึงศาลาเขาก็แยกกันนะเงียบเลยเงียบเลยเนี่ยนั่นคือเราต้องอดทนหนักแน่นเนี่เอาความดีสู้ถ้าเราเชื่อพระเจ้านะชนะคนไม่ดีด้วยความดีชนะความชั่วด้วยความดีชนะคนต่หนีด้วยการให้ แต่ว่าเราต้องมีสติคอยระลึกระลึกถึงธรรมอยู่เสมอเนี่ยถ้าไม่ระลึกถึงธรรมมันก็เอากิเลสใส่กันมันก็เป็นเรื่องเป็นลาว น, นี่อาศัยความดีอาศัยความเย็นเนี่ยถึงว่ามันแม้ทําท่าจะมีเวรมันก็ระ ง, งับเวรได้เนีเพราะว่าเวร น, นั้นพระพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรเราก็ต้องเอาข้อนี้มาเตือนใจเราเนี่มันจะระ ง, งับได้ด้วยการไม่จองเวร น, นี ก็คือเราเป็นผู้ยอมใช่ยอมแพ้ใช่เป็นพระดีกว่าเนาะถ้าชนะเรามันเป็นมารเือโบราณเขาวาไว้แพ้เป็นพระชนะเป็นมาร น, น, นึกตึง้อณีก็ได้แล้วก็เป็นพระจริงๆแล้วเราชนะใจตนเองเถ้าเรายอมแพ้คือเราชนะใจตนเองโอ้ยชนะการชนะใจตนเองนี่มั น, นรู้สึกมันภูมิใจนะภูมิใจถ้าชนะคนอื่นเอาเป็นเวรอย่จริงนอนไม่หลับหรอก นอนยังไงก็ไม่หลับตายแล้วมาทํากูอีกไหมเนาะกูไปทําก็แล้วเนี่ยที่อยู่ไม่ได้เี่ยสุดท้ายต้องย้ายหนีหนีไปไหนก็ยังตามไปอยู่นั่นแหละเนยนั่นคือการจองเวรถ้าเรายอมเสียเนี่ยเออให้เขาซะเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรนะเรามีข้าวกินของเราเขากินข้าวของเขาเขาอยากโกรธอยากเกลียดเล็กๆก็เเรื่องของเขาเนีเน่ยคิดให้มันดีค็ดให้มันถูกเท่านั้นแหละเราก็จะเย็นสบายเนี่ย เรียกว่าเอาชนะตนก็ชนะคนทั้งโลกแต่เอาชนะคนอื่นก็แพ้ตลอดนีแพ้ทั้งโลกเหมือนกันชนะตนเท่านั้นพอสมกับที่หลวงพ่อเจ้าคุณอรหม่อนตเขียนไว้การชนะคนอื่นหมื่นแสนหนเดี๋ยวกับตนเป็นแพ้ไม่แน่นอชนะตนจากชัวเท่านั้นพอย่อมเกิดก่อสุขแท้แก่ตนเองนี่ต้องเอาชนะตน นี่ธรรมะก็เลยไมาอยู่มาอยู่ไกลนะอยู่ใกล้ๆรอบตัวเราเนี่แหละอยู่กับการเป็นอยู่การยืนการเดินการนั่งเนี่ยเพราะว่าจิตใจมันกระทบอยู่ตลอดเวลาไงเนี่ยเพียงแต่ว่าเราจะทันไหมถ้าเราไม่อยู่กับตัวมันก็ไม่ทันเนี่ยถ้าเราทิ้งบ้านที่มันก็บ้านมันก็ไม่รู้ใครมาอยู่มดปวกอะไรมันขึ้นกินหมดแล้วเนาะถ้าอยู่กับบ้านมันก็ดูแลบ้านบ้านก็สะอาดไม่สกรปรก อันนั้นถึงอยู่กับเนื้อกับตัวนี่คนโบราณเรียกควนเวันจึงมาอยู่กับเนื้อกับตัวเห็นไหมล่ะก็ <laughs> คือเรียกสติให้มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวหน่อยให้รู้สึกตัวหน่อยนยีจะทําอะไรจะพูดอะไรก็ดีนี่เรียกจะได้เดินหนึ่งหน่อยเนา ะ, ะต้องได้เดินสักนิดหนึ่ง